เซคะปฏิปทาสนธยาธรรมิกถาวันที่16มกราคมพศสองพ้าสเจเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมพชติปัญโย ทันทำมายัางทำมาปริยยคาทายโผนามาเสินาเปิ้ลซาตามาริสันเิมารณานตังยิชีวิตตังาตังลย ขางสิ้นจะต้องตายเพราะชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุรบชารังปิปตะวามารณะเววางธรรมายิปานิโน c h a ยาธิเมื่อฝ่ายใดฝ่าหนึ่งแตกสลายทางสองฝ่ายก็สลายไปด้วยกันญาณธาติญาตารังพิชางเกเตวุตังวิรุ อาเทเรียเมื่อเพือ่อจะได้อย่างหนึ่งที่ว่านลงแล้วในพื้นแผ่นดินยอมงอขึ้นได้ปาทาเวราสันจากาคัมมาสีเน ขันจ์ตาทุพยังเพราะอาศัยรถแห่งแผ่นดินและเชื้อในยางแห่งพืชนานานเอวังขันธาจัตาตุโยชาจา อายาตนาอิเมฆข้นทังอาแลทั้งลายพรอมทังอายาตนาทา้งหกนี้ก็เหมือนกันเหตุตัปติจะสมโูตา เหตุความขาดนิรุธเรอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้เมื่อเหตุนั้นแตกสลายก็ยอมดับไปญาทาเยอังคาสัมภา สาโทราตัวอติเรียมเมื่อกันประกอบชินส่วนของรสเข้าด้วยกันทามะยะควรารสก็มีขึ้นได้ เอวังค e ันเตสุสันเตสุอติสัตตติสัมมเตเมื่อคันทางอายังมีอยู่ก็เหมือนกันหามสมมตว่าคนและสัตว์ก็มีขึ้นได้ so โอพอปุญญาจะปาปปัญญายางมัจจุคุรุเตยทังเมือ่อผู้ที่ตายไปท่ามุญและบาใดได้ในโลกนี้แลว้ว ตานีตัดสักตังโหเทตานจาทายาคาชะเทบุลเลบาปนันแลย่อมเป็นของของข้าพูทนันโดยเท ข้ายอมได้รับบุญแลบาบนั้นแน่นอนทานจัสะอาดทางโหติจายาวาอนุภายินิบูญแลบาบนั้นยอมติดตามเข้าไปเมื่อ ทำตัวเข้าไปฉั่นนานสาธายาสิเลนะจะโยาวัตเตติูไดจะเริญด้วยศิณและมีสัทธาปัญญาญาจะเกณน สู่เตนจุพยางเป็นผู้มีปัญญาสดาศึกษาในการเสียสละโสติโสสาโพรโสวิจักขโนบุคคลผู้เป็นสัตตบรุษ เป็นผู้เจียบแหลมเช่นนั้นอาทิยาติสารมิเสวอัตโนมย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกมีไว้ได้โดยเทอาจชวะ กิจจะมตปังโกันญามารณังส an ุเววาพภาเกิยนในสิ่งที่อามเห็นจิตที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายเมืปพรุ่งนี้ นายโนสังคารเตนามาเซเนนามาจุนังพราการปฏิยันตอมาจุราซึ่งมีเซนามายไม่มีสำรับเรา เอวัมปุเตสุปเทเตสุสาทุตถาจุเปคณาเมื่อสังขารเหล่านั้นต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนการวางเฉยในสังขารเสียดายย่อมเป็น การดีอาปิเทสามนิโรธาญาปาติปาตยาติสาทุกรรมอาหนึ่งการปฏิบัตเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดี สัพพังสามปาธานิยันหีคาปามาเทนะสัพพธาเทขีังสิณนจักเพึงมบามเห็นให้บริบูรณ์ได้ ด้วยความไม่ประมาทกเมื่อเท่านั้นและดังนี้ก็ความเจริญงองงามในอริยะเยะธรรมความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจ แด่ความผผาสุขทุกประการขาอจะงาังเกินมีแต่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกานี้แต่ค่อยๆพยายามเท่าที่สุขภาพจะเอื้อเฟือ้อเกือ้อกูลให้เสียงไม่มีหรอกเฟืดมากแห้งมากเหนื่อยมากถ้าพูดออกไปโห้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ไห เวลาใกล้จะจบจะสิ้นแต่สังขารสุขภาพจะไปไม่รอดสุขภาพเสียงมม่มีอยากจะพูดในเรื่องที่เราสอนมาเมื่อกี้นี่ให้มันสมบูรณ์แบบในระบบการศึกษาของเราการศึกษาของในทางพุทธศาสนาที่เรียกว่าไตรสิขาเป็นการศึกษาในชีวิต เป็นการศึกษาแห่งชีวิตครบรอบครอบคุมทุกระบบทั้งชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตชุมชนชีวิตนี้และชีวิตหน้าจนถึงชีวิตลังแก่ตายแล้วดังที่เราสวดมานี้ที่เราสวดมาทั้งหมดเป็นระบบการศึกษาของชีวิตจึงพูดแล้วพูดเองว่า การที่เรามาร่วมกันในขณะนี้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติศึกษาหรือที่เรียกว่าเสค่ะปฏิปทาทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งในทั้งนอกมารวมกันให้ได้รับประโยชน์ในการศึกษานี้แล้วแต่ความพร้อมและความสุขงอมของใครก็ตามแต่ละฝ่าแต่ละท่านหะได้รับประโยชน์พัฒนาชีวิตทั้งชีวิตให้มันดีมังงามไปจนถึงชีวิต หน้าลัจาจกตายแล้วเมื่อกี้เราได้สวดชีวิตเชื่อมต่อไปถึงชีวิตหน้าอุโภโอปุญงจาปาปัญจา่างมจ โ, โกริเตอทะเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆใ น, นโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นแหละจะเป็นของของเขาผู้นั้นโดยแท้ วุ่นวายนั้นแหลจะติดตามเข้าไปมื่เงาตั้งตัวเข้าไปฉะนั้นอันนี้จะไปจุดหัวเลี้ยวหัวตอกชีวิตนี้และชีวิตหน้าชีวิตที่เป็นเป็นอยู่ในขณะ น, นี้และจะสืบต่อไปอีกในชีวิตข้างหน้าเราจะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตต่อจิตต่อวิญญาณเราจะเห็นได้ว่า คำสอนในที่นี้เป็นคำสอนที่รับผิดชอบต่อชีวิตจึงเห็นได้ว่าคำสอนทั้งหมดของพุทธศาสนานั้นมีโยสองระดับแปดหมื่นสี่พันพระรรมะขันธ์แปดโกศสีคือแปดล้านสี่แสก็ตามทั้งหมดจะรวมลง การรับผิดชอบต่อชีวิตศึกษาพัฒนาชีวิตทั้งระบบคำสอนจึงมีอยู่สองสองระบบระบบหนึ่งใช้คาว่าคามมินีปฏิปทาวัตตะคามินีปฏิปทา าบาลีเวนบาลีอย่างนี้วัตตะคามนินีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่รับผิดชอบต่อชีวิตที่จําเป็นจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้อันสุดท้ายวิวัตตะคามนินีปฏิปทาข้อศึกษาข้อปฏิบัติ เพื่อจะออกจากการเรียนว่าตายเกิดไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายีกต่อไปมีคาว่าปฏิปทานนะขอปฏิบัติด้วยการศึกษาทั้งหมดลงไปที่ตัวปฏิบัติพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติมุ่งไปที่ประโยชน์สูงสุดแก่มนุษย์ที่จะต้องกระทำได้สัมผัสได้ ให้หมอสมกรมกังกับทุกระบาทุกระดับแห่งความพร้อมความสุขงอมของอินทรีย์มันจึมีหลายหลายหลกหลากหลายจะหลายแค่ไหนจะหลากแค่นั้นก็ตามนี้ไม่พ้นสองอันนี้เมื่อเรายังไม่พร้อมที่จะแบกไหวออกไปจากวัตฏะคำเนียนี้ยังจะเป็นจะต้องอยากเกิดอยากตายอยู่ ยังอาราบอนอยู่คื อ, อยังมียังมียังมียังมียังมียางอยู่จะ ต, ต้องเกิดท่านก็สอนอีกวิธีหนึ่งให้รับผิดชอบมาและเมื่อได้ปีกล้าขาแข็งสุกงอมพร้อมที่จะแบกว่าออกไปไม่ต้องมาเกิดมาตายให้ไปถึงวงจรเปิดลุดออกไปแต่วงคคจรนั้นถึงขั้นที่เรียกว่า อัดถังเข้ามาเข้ามาอัสะดงไม่มีที่ตั้งวิญญาณอัดถังเข้ามาเข้ามาวิญญาณของเธอก็จะอัดสะดงไม่มีที่ตั้งอยูทั้งในโลกนี้และโลกหน้าโลกไหนจึงรับผิดชอบกับชีวิตที่ดีงามที่สดุดไม่มีศาสนาหรือแต่การใดสอนอย่างนี้ตั้งแต่เราสวดมามันจะเป็นเป็นสายเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกระแส แต่แต่บอกให้เรารู้ว่าชีวิตนี้คืออะไรชีวิตนี้เป็นอย่างไรและชีวิตนี้จะให้มันเป็นอย่างไรและจะทำอย่างไรที่จะให้มันเป็นตามที่เราอยากให้มันเป็นคาสอบก็มีเพียงแค่นี้เราเห็นได้ว่าเป็นกระแสชีวิตเป็นกระแส วิญญาณโสตังวิญญาณนี้เป็นกระแสอัพยโตอุปโพชินทงังเมื่ออยงกระแสยังไม่ขาดโดยส่วนทั้งสองสังสาระปริวัติตามติย่อมเวียนบ่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้แต่เมื่อใดวิญญาณโสตังอัพโพชินทงัง นิพพานะปริพัติตันติเมื่อวิญญางขาดโดยส่งต่องแล้วก็นำไปสู่พนิพพานดับสิ่นกิเลสตัณหาอุปทานอวิชชาของทุกข์ไม่มีเชื้อไม่มีอย่างไม่มีใหญ่ให้เกิดพูดอย่างนี้ง่ายแต่ดูรายละเอียดของชีวิตเมื่อกี้เราอยาเห็นข้อเปรียบเทียบว่าชีวิตเป็นส่วนร่วม หน่วยรวมแห่งความเปลี่ยนแปลงเอวังขันทาจะทาตุโยกจะชะจะอาญาตมาไอ้เองี้ขันทั้งห้าท่าทั้งหลายอยาญตนาทั้งหนี่เป็นหน่วยเป็นเป็นกลุ่มที่รวมกันเป็นสังขารนี้มันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่สมอัอเป็นหน่วยที่ไม่มีความเที่ยงแท้และมีความเบียดคาําออาเพลจงคือความทุกข์และก็ไม่เป็นไปตามอํำนาจของใคร เรียกเป็ว่าอนัตตาเมื่อถึงที่สุดเนื้อขายใหญ่มันมันมันคือจะต้องเปลี่ยนแปลงแปลงบางจะปแปลงแบบภาพรวมแต่ละหน่วยแต่ละแต่ละหน่วยนั้นจะไม่เที่ยงอยู่ในตัวแล้วแต่ที่นี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างอย่างทั้งหมดทั้งหน่วยรวมนั้นเราเรียกว่าตายเราเรียกว่าตายรูปเวทนาสัญญาสังขารบิญยาณห้าหน่วยนี้ที่เราเรียกว่าขันห้า ไม่ใช่ดอกไม้ห้าคู่เทียงห้าคู่นะอันนี้เราสมมุติเอาขันไปว่ากลุ่มไปว่าก้อนไปว่าหมดไปว่ามูงี๋ยฟกรุ๊ปออกแอคเ e อหน่วยรวมทั้งห้าเป็นกลุ่มอยู่ตรงนี้ภาษา ส, สมัยใหม่เขาว่าย่างงั้นเมื่อมันแตกสลายกระตุ้ยกระยจล้วเราสมมุติว่าตายที่บอกว่าเมื่อผู้ที่ตายไป ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นแหละจะติดตามเขาไปเขาจะก็เขาจะต้องได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนคำนี้ก็บอกให้เรารู้ว่าเมื่อเวลาเราตายมันก็ไม่จะจบลง เ, เพียงแค่ตายยังจะต้องไปกายแตกกายทําลายขันกระจากระจายคืนสู่ธรรมชาติดินคืนสู่ดินน้ําคืนสู่น้ํา ไฟเคืนสู่ไฟลมคืนสู่ลมอันนี้ส่วนรูปมหาภูตโรกมหาไปา็นวายใหญ่ภูตะเป็นรูปที่เป็นใหญ่ให้มองเห็นจับต้องมองเห็นเระเอาด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมตัวนี้เป็นพว ก, กพวกรูปเมื่อเวลาเราสมมติว่ามันตายมันแตกกระจายจรวมกันเมื่อรวมกัปนป๊บป ลมหายใจเข้าหายใออกซึ่งเป็นส่วนปาโยธาก็กลับคืนไปพัดอยู่บนยอดไม้ไปพัดน้ำมูลผลเมื่อห้ามูมันพอไนยกรรมแล้วเมื่อบรกรณแล้วคือเราตายความหมายของคนโบราณก็พูดกันร่างกายที่เคยอบอุ่นเย็นจ่อยบาตายไฟมอดธาตุไฟเตถุเตโชธาตุกลับคืนไปเลืองแมวแม่ทั้งฝ่าฝืนน้ำมูลนันส ถ้าเรเห็นดอกน้ำที่อยู่ในร่างกายน้ำเลือดน้ำหนองน้ำลายน้ำมันน้ำพัสสะแยกกันออกออกประทันย่าก็ออกออกน้องหู้คนทั้งตัวบวมคนตายเมือไงตัวบู้บวบบวมนี่นั่นคือน้ำมันไหลไหออกมันแยกกันออกไปใส่ไปไหนไปเป็นครีมเองี่นอนกัโต๊ะเมื่อเป็นนาขี้เก่าเมื่อวานเก่ามันเมื่อน้ำออกหนแล้วก็ยุบเลยได้ธาตุดินเนื้อหนังกระดูกกระเดี่ยว ค่อยๆผูพังไปเป็นดินเมื่อคืนเมื่อวัเก่าแต่ยังอีกธาตุหนึ่งหกธาตุนะถ้าใครเคยอ่านธาตุวิพังขัตวจะเห็นข้อชัดเจนมากเห็นข้อค่านชัดเจนมากมันไม่ไม่ได้มีแต่สีนะมัน ม, มีหกหนึ่งควาจริงๆออากาศาธาตุก็มีภาษาบาลีเขาละเอียดนะบนเรืนนะ่งพัตถะไทยและสับสน อากาศก็อันหนึ่งลมก็อนหนึ่งไม่ใช่เดียกันอยู่ดีๆลมพับลมบอกว่าเป็นลมคือบอกว่าเป็นอากาศไม่ได้ไม่มีอากาศให้ใจบาว่ามันสับสนอากาศสภาพแปลว่าช่องว่างที่ขีดขีดควไไดนไม่ได้สัมผัสไม่ได้ในร่างกายของเรามีช่องว่างช่องหูช่อ ง, องตาช่องอะไรต่างๆในร่างกายมีช่องมันพองต่ น, นั้นเป็นธาตุอันหนึ่งเป็นสภาวะอันหนึ่งคือมันบ้าง ไปที่ไหลออกเวียนไหลออกไหลเข้าของาธาตุทั้งสอยู่ในช่องอันนี้และพลังงานจึงเรียกว่าสุธิธรรมมาประวัตติธรรมชาติล้วนที่มันไหลเข้าไหลออกบนเวียนกันอยู่ตรงนี้ประวัตติไหลเวียนอยู่อย่างนี้เขานี่ดีนะน่าจะจำง่ายสะดวกหมดทั้งชีวิตเองท่านบอกว่าสุธิธรรมมาประวัตวติ ธรรมชาติล้วนๆที่มันหมุนเวียนไปหมุนเวียนไปเข้าเข้าออกอยู่ตรงนี้มีอีกธาตุหนึ่งธาตที่องวิญญาณธาตุถ้ารู้คือจิตใจนี่แหละเวลาเวลาเวลาธาตุที่สีมันแตกตัวนี้มันก็ไปของมันเราจะบอกว่าเมื่อไฟเดิมไฟเดิงแต่สลายทั้งสองายก็สลายไปเมื่อมหาภูดลูกแตก กายจะสาเพเททางปรมานาเมื่อแต่กาธาราขันตายแล้วมันก็ต่างคนต่างไปนี่น้ำไฟลมก็เกา่าคืนเป็นสุดธรรมชาติของมันแต่วิญญาณธาตุไม่มีที่อา ศ, าศาัยก็ต่อไปของมันไปไหนปไเนไ ป, นะปนกระแสในนี้ที่เราสวดมาเมื่อกี้ให้เราเห็นว่ามหาภูตรูปนี้เปียกเหมือนรถธาตุทั้งสี่หรยเหมือนรถที่ว่า จะให้อังคาสัมภารายโ ฮ, โฮติสัทโธ ร, รโโัตโวิติเปรียบเหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันคำเรียกว่ารถก็มีขึ้นได้คำพูดนี้เป็นคำพูดของนางพิสณีชื่อเซลาเธอเป็นคนมีมีมีรูปสวยมากงามมากเป็นพระ อ, อาหารนะพระ อ, อาหารอยังสาวเลย น, น, นางสวาสิอยู่ใน วิหารธรรมอยู่ใต้ต้นไม้ในป่าอันธพาลลมหนาวก็พือพัดพญามารมาเห็นเข้าแปลงกาย จ, จะแปลงแปลง่าเป็นชายหมุนมาเกี่ยวพาลาสีตาเธอสวยนะยนนว่าไปเมื่อคนคนนมผู้กับคนเตานะเชื้อภิรมนั้นนี้บอกว่ามันสวยตัวไหนตาเธอสวยจมูกเธอสวยไล่ไปตัดตาไว้ว่าต่างๆ นานนี้ก็เลยพูดว่าไม่มีอะไรสวยดอกมันไม่มีกายไม่มีตายไม่มีขอวอะไรดอกมันก็เหมือนรถคันหอะไรจะทาให้อาคารสำหรัโงติดสะทระทุอีกสิปีเหมือมนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันคาเรียกว่ารถก็มีขึ้นได้อันนี้มหาวุตรูปดินน้ําฝนลมมันเหตุพยายามมานั่งใครมาก็าจะตามตื้อบอกว่าตาเธอสวย น, นะเธอยังหนุ่มยังสาวทําไมจะต้องมาทิ้งความสุขที่เห็นอยู่เฉพาะหน้าเธอจะมาได้อะไรเธอมาแสดงหาสิ่งไร มาเถิดเราทั้งสองมาเอาพิลลมกันมันสวยที่ตาเยเลยฟักตายอก็ตาไปบอกง้าวดีเลยตายคนตลบเพราะอย่ามวิ่งทรมาร์ครเลยครับว่าไปเลยคํานี้เป็นคำของนางพิซณีก็เอามาร้อนต่อให้เราเห็นภาพภาพพื่อทางร่างกายถางมหาภูตา ร, รูปทางรูปทางดินทางน้ําทางไฟทางลมทางทางกายมันประกอบกันด้วยดินน้ําไฟลมเมื่ล็ดประกอบชิ้นส่วน มีล้อมียางมีคันสีมีเครื่องยนต์มีฟ้ากระโปรงมีเก๋งเอ็นบัลลุดขับรถออฟเวอร์เซเลตท่านั้นนี่เราจะเห็นภาพพด ท, ทางร่างกายธารมะโพธต ร, ระยังมีภาพภาคหนึ่งวิญญาณธาตุไม่ใช่ธาตุทั้งสี่ไปธาตุธาตุตัวที่หที่ว่าวิญญาณธาตุตัวนี้ เมื่อส่วนประกอบนี้แตกถลายไปเขาก็ไปเหมือนกันจึงว่าอุภูอัญ โ, ธโยยะนิสัสตตาเอกทวิภิรมณอุภูภิจัติปิญญาที่ธโธโเมื่อฝฟเด้งไฟด้งได้อาศัยอยซึ่งอะไรกันเนมือ่อไฟเด้งไฟเดงแต่ถลายทั้งสองไฟก็ถลายไปด้วยกันเมื่อมหาปพูฟฟ ร, รูปแตกกระจายตัววิญญาณธาตุามันก็ไปตามทิศทางของมันเปรียบวิญญาณธาตุตัวนี้เหมือมนเมล็ดพืช อ, อันนี้นามพิจุณีชื่อสเสลา เสลาก็สาวเหมือนกันก็พยามามน้นต่มันมาถามมันยังมาจีบมันเห็นงามาก็เลีมยงเลียมันก็มาถาปัญหามันบอกว่ากายนี้เกิดมาได้อย่างไรมันงามไม่ขี้เลยมันเกิดมาจากตรงไหนมันงามไม่ได้อย่างไงมันเกิดมาได้อย่างไรนั่ก็เล่ามาตั้งแต่อยู่ในท้องตั้งเริ่มน้ำหยดเดียวปฐมมากับลาลาโหติเริ่มแรกร่างกาที่เธอเห็นอยู่นี้นะเธอไปยามาฟัง มันเริ่มด้วยน้ําจดเดียววัยนยังงานพูทภาษาต่างๆละเอียดนะทั้งฟิสิกส์กันเลยแม่ตาฟิสิกส์กันไปออสกี้กันไปได้แล้วก็อธิบายให้ฟังมันจะมาเกิดมั น, ม น, ไ, มมน ไ, มไม่ได้เลยไม่ได้จะมาเกิดด้วยด้วยกายอย่างนเดรอวทางร่างกายมันเริ่มด้วยน้ําจดเดียวงานี้พูดชัดเป็นเป็นประกอบเป็น ก, AF, นก AF, อมไพรมากสังยุตตนิไกรเทวาสังยุตมาลาสังยุต พอดูเรื่องมารู้เรื่องนี้งมาพบกันโต้กันตอบกันแล้นางบอกวะ่ามันจะเกิดมันอาศัยวิญญาณวัดขงมัสยิตแล้วนางก็ไล่ไปนั่ น, นี่ก็เลยบอกวะ่ามืมอนเมล็ดพืชมันจะไม่เกิดได้อะไรเมล็ดพืชไม่ด่างะะะาตัณหาวิญญาณ น, นางพิชังวิญญาณ น, นี้เปรียบเส ม, ม, ะมะือนเมล็ดพืช กรรมังเขตตังกรรมการกระทําเริ่มต้นด้วยด้วยมโนวิญญาณด้วยด้วยมโนกรรมคือใจนี้มันคิดแล้วมันออกมาสู่วาจาจมาสู่กายกรรมเหล่านั้นเปรียเหมือนแผ่นดินเป็นที่งอกเลยงามขึ้นมาของของวิญญาณธาตุแต่ก่อบาปก่อบุญก่อกรรมทั้งทั้งหมดอยู่ที่กรรมการกระทําของของใจวายใและกายแต่จะเริ่มต้นก่อน เมื่อพูดถึงตัวนี้แล้วนางก็สลบให้เห็นภาพปะยะธาหิอัญจะิตรลาวีฉังเคเ ต, ตวุตาวิโรหติเปรียบเมืนอนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่ว่าน ล, ลงแล้วหล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินพื้นของดิวย่ยอมงอกขึ้นได้ปัทภีรสัชกาอาคามาสินัยห่านจาตัตถุไฟจัตถ์เพราะอาศัยรถอุณหภูมิความร้อนความเย็นของอุ่นของแผ่นดินและ เชื้อในอย่างแห่งเพื่อนนั้นเมื่อประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาได้นี่คือการเกิดขึ้นของของชีวิตนี้นา น, นี่พูดทางทางด้านด้านจิตใจแต่นานนั้นพูดเรื่ด้านด้านร่างกายก็เห็นภาพทั้งสองเมื่อเกิดมาแล้วก็กระทำกรรมประดำกิเลสตามตหาคตามโมเต็มเหล่านั้นก็จะเป็นกรรมสังสมต่อไปเมื่อตาย อุโพปุญญาจปาปัญจจากมจโกรเตยาเมื่อผู้ดีตายไปได้ทำบุญและบาปได้ๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นแหละจะติดตามเขาไปขเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนชัดเจนมากบุญบาปนี้จะกลายเป็นเยื่อใหญ่อย่างแห่งจิตแห่งวิญญาณ ปุญญเสนหาอย่างแห่งบุญปาปเสนหาอย่างแห่งบาปก็จะติดเหนียวอยู่ในนั ah ้นแหละก็เสียบต่อกอบพันไปคำสอนสอพุทธศาสนาสองระดับที vit, ่กล่าวมานี้ระดับแรกวัตะคามินีปฏิปทาสอนถึงการศึกษาการปฏิบัติเพื่อจะรับผิดชอบต่อชีวิตที่ยังดดำเนินเดิเวียนว่าตายเกิดอยู่ เราพิชชอบตัวยางก็ให้ละยางปะให้สั่งสมยางกุญนี่สภพป่าปัสสาวะการะนังเปจการกระทำบ่าวทั้งพวกกุศลสูบผสมปะหาก ร, ระทำกุศลให้ถึงพร้อมสองข้อนี้เป็นวิวัตะคามีปฏิปทาจะไว้นั้นเราจะมองเห็นภาพของพุทธศาสนาได้ชัดเจนจะไปทำวิทยานิพนธ์ต่อก็ได้ปริญญาทโท สองข้อนี้รับผิดชอบต่อชีวิตที่ยังต้องเวียนว่ า, ายตายเกิดที่เรียกว่าวิที่เรียกว่าวัตถะคามินิปฏิปทาการปฏิบัติที่รับผิดชอบต่อการเวียนว่ า, าตายเตือนในวัฏสงสารนี้คือละชั่วคือขจัดอย่างบาปการทําดยคุณงามความดีสั่งสมอย่างดีอย่างบุญให้เกิดขึ้นและบุญบุมไปเกิดใหม่ บินยานที่เป็นกระแสเนี่น ก, ก็จะเอาสบ่าของมนอันนี้ไปอาถายยะขจิติอาถายยะขจิติถือไปได้บินยานจะไปไปคุณสบ่าของมัน mm hmm. แล้วมันก็จะไปเกิดที่ดีที่งามขึ้นเมื่ตากในความลำบากไม่ตกไปในโลกที่ชั่วแต่ยังไม่ผลยังต้องติดเพราะกระแสเหล่านี้ อย่างเหล่านี้เป็นเครื่องข้องจึงเรียกว่าอุปโภคสังขงารนับปริมุติจติสังขงารนัปริวัตฑิตเมื่อยังไม่ดูดฝนแต่เครื่องข้องทั้งสองก็จําเป็นจะต้องเวียนว่ายตายเกิดดูในวัตสุสารนี้อะไรคือเครื่องข้องทั้งสองก็คือบุญและบาปนี่แหละท่านจะเรียกพวกเราว่าสัตว์ทั้งหลายพิสุททั้งหลายสัตว์ทั้งหลาย มีอวิชชาเป็นเครื่องกัดมีตันหาเป็นเครื่องโฟันเอาไว้ไม่รู้จักประจัดแจ้งอริยะสัจธรรมจึงท่องเที่ยวไปอในปรอเทศชาติในประดับสสารไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดแม้เราเองก็เช่นเดียวกันพระธรรมาทุกอย่างของเราก็เลยบอกว่าโอ้ก็เป็นเหมือนกันแต่ก่อนแทาที่เรื่องพวกเราว่าสัตว์พอพูดถึงสัตว์เราจะไม่ไดนะ้แปลนะเราแปลงเอาลราทับสั บ, บาลีเอาสัตโต อันว่าสัตว์ทั้งหลายละแปะแต่เขาจึงสัตว์โตไปว่าผู้คล้องทั้งหลายยังค้องอยู่ค้องที่อ้องที่ยางสองอันนี่แหละอย่างบุญและอย่างบาปที่นี้คําสอนแท่งสูงขึ้นมาสัจจิตาปริโยธาปนังอันนี้เป็นคําสอนที่นี้ที่เราว่าวิวัตตาขามินิปฏิปทาชำระติของตนให้บริสุทธิ์ทั้งขาวรอดไม่้มันค้อง เมื่อมันคล้องอยู่ในดำกานหังคำมังที่เราสวดกำดำพอเฮียติจงละกำดำเสียกำบาปแล้วยดียมังคล้องอีกคำคำขาที่คำบุญจึงบอกว่าสจิตะปริโยทัปะนังชาวนาจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสยอย่างยิ่งไม่ให้มันคล้องแล้วเราจะไม่ได้เป็นสัตว์อันนี้คือวิปะตะคามณีปฏิปทา ข้อปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารท้าจะทํายังไงในนี้บอกชัดเป็นเรื่องการศึกษจบกระบวนการเลยมันมีคนร้ายระดับนั้นนี่นะฟังให้ดีนะหัวเล่นเขาต่ออยู่ตรงนี้เมื่อพัฒนามามาเข้าใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยท้ายยิ่งบอกว่าเมื่อเราตายไปเราจะได้รับดัง น, นบุญและบาปบุญรละบาปนั้นจะติดตามเข้าไปเหมืนหอนเงาตามตัวเข้าไปเช่นนั้นท้็จแล้วจะทํำยังไงถ้าเลยปอกว่า สัทธาจะสีเลนะจะโยปปัตติจ่าเขนสุเตนะปัญญาจะจูปปังโสตคิโสสปุริโวิจักขโนอาริเกติสารมิเทวาอัตโนผู้ใดจะเดินด้วยศีลและมีสัทธาเดี๋ยวนี้เข้ามาเข้าหาข้อธรรมที่จะรับผิดชอบกับชีวิตนะนะในวัตถุศาสตร์เลยนะเป็นผู้มีปัญญาสดับสุงสุนในการเสียสระ บุคคลผู้เป็นสัตบุรุษผู้ฉลาดเชียบแหลมเช่นนั้นอาทิติสารลมิเทวะอัตโนย่อเถือประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดแท้เราจะเห็นได้ว่าทำรรห้าประการนี้เป็นตัวรับผิดชอบต่อชีวิตในวัตสงสารและทาให้สุดห้าประการนี้เป็นพื้นฐานเป็นเบสิกรอนรับการพัฒนาที่จะก้าวนำไปสู่วิวัตะจึงตอกย้ำทำเหล่านี้มาก เดี่ยวมองข้ามนะสามมัน เ, เ, ล, เล็กๆตี่น้อนๆที่เรียนต้องทำเซนติกวจะได้ยินคําเหล่านี้สามบาลายยิ่กระถาประโยชน์กว่าไวน้น่ะประโยชน์ในเบื้องหน้ากว่าไปนั่นก็ถุกแต่มในในี้มีชื่อมากถ้าเรียกชื่ออันหนึ่งว่าอริยะวัฏถีทางเขามันยังพูดประพฤติปฏิบัตินั้นพัฒนาตนไปสู่ความเป็นพระอริยะเจ้าอริยะชนผู้กายห่างจากขยะชั่งกิเลตฐา น, น ทำเหล่านี้มันมีในในใจิตในใจของเราไหมเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ได้กําไรวัถิแปลว่าเจริญรร ด, รด้วยกําไรก็ได้สัทธาวัถิจเจริญด้วยศรัทธาสีลวัติเจริญด้วยศีลจารคัตวัถิเจริญด้วยการจาระด้วยการเสียสละการมียึดถือสุตตวัถิจเจริญด้วยการสดับตับฝังได้ยินในฝังข้อ ข, ข่าวสารข้อมูลมาก ปัญญาวัต <intent>? ถิกเจริญด้วยปัญญาจึงบว่าจะโยปวัตถิตอนนี้ท่านมาแยกท่านท่านพู้เป็นกลุ่มว่าสทายะสีเลนะจะโยปวตติใครก็ตามท่านไปพู้เจริญด้วยศีลด้วยสัทธาสดับศึกษาตัวนี้หมายความว่าสุตะสุเตสุตวาผู้ได้สดับแล้วได้ยินแล้ว ยังได้ยินได้ฟังบ่อยๆในเรื่อะเรียกว่าสุตตวะอริยสาวะโกะแปลว่าอริยสาวะผู้ได้ยินเสียงโกเรียกสเสียงเพียร้องหาของอริยเจ้าอริ ย, ยชนผู้กันอยู่ทั้งวันไม่เข้าใจก็ก็เป็นอสุตตวะอสุตตวะปุถุชนโหนปุถุชนผู้หนาแ น, นี่ยไม่รู ก, กิเลสผู้ไม่ได้สลับไม่เข้าใจในเรื่องนี้มีคนอยู่อยอยอยอยสองกลุ่มกลุ่มใดก็ตามที่ฟังเรื่องนี้เข้าใจ ท่านเรียกว่าสุตตวะอริยทราวกอริยะสาวกผู้ได้ศึกษาผู้ได้เรียนรู้แล้วผู้ได้ยินเสียงกูเรียกเพียงหาของพระอริยเจ้าอริยชนแล้วแต่ถ้าฟังอยู่ไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่รับเลยทุกประเด็นไม่เข้าใจเลยท่านเรียกว่าอสุตตวาปุถุชนงปุถุชนผู้นาแนเนี่ยโดยกิเลสไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้สึกษแต่ยินก็ไม่ฟังฟังก็ไม่เข้าใจอย่างนี้ทำห้าประการนี้สําคัญมาก รับผิดชอบต่อชีวิตในวัฏสงสารและเป็นพื้นฐานแก่ชีวิตที่จะพัฒนาไปสู่เขาเป็นวิวัตะคามินียปฏิปทาที่จะออกจากวัฏตาได้ก็อาศัยตัว น, นี้เป็นพื้นเป็นฐานเป็นฐานให้ความสมบูรณ์แบบของความเป็นนักศึกษาอยู่ตรงนี้โสตะปริยังคะสังยุตเล่มเดียวเล่มที่สิบเก้านี่ เฉพาสวดตับอตปอย่างรครสัง ย, ยุตต์เจ็ดสิบสี่สดพูดแล้วพูดอีกในเรืงง่องนี้มากม า, ายการกอร่กอนเกิงกอ่อนสัทธาสินสุ ต, ตะจาคะปัญญาเมื่อสัทธาได้มาตรหานสินได้มาตรหานปัญญาเข้าขั้นเข้าเกณฑ์มาตาารานและจาคะก็มาตาารฐานสุตตะก็ปลดปล่อยไปได้ มันจะเป็นต้องฟังต้องสดับมากเพราะตอนนี้มันพอแล้วมันอเมื่อตกต่ำแล้วได้มาตรฐานอาวินิปาตาธรรมโงเขาจะไม่ตกตับเนี่ยโตเที่ยงแท่เส้นโพธิปรารายจะนอนจะต้องมาดูทําในเบื้องหน้าอะไรเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นสถานมาตรฐานขนาดไหนคือเป็นโซดาบันและสถานมาตรฐานนะเพื่อจาคอยแนะนําคำสอนพระประัจจุบันทั้งหลาย เธออย่าสนใจเลยเอาแน่นอนอะไรไม่ได้กับสรัทธาของบุรุษชนวันนี้เขารักผู้นี้เขาชังวันนี้เขาสถาผู้นี้เขาเบื่อหน่ายเป็นเรื่องธรมรมดาเป็นเรื่องธรม ร, ธรมดาธรรมดาเพราะยังไม่เขาเหล่านั้นยังไม่เป็นอริยะชนยังไม่เป็นพระโชดาวันยังไม่เป็นโสตเปรียญข้าบุคคลอยู่ดีๆมีคนม า, มาฟังเทศผมอยู่ตรงนี้ตรงนี้แหละผมมานั่งเทศอยู่ตรงนี้แหละผมเทศประมาณสิบ ไม่ถึงสิบตำห้านาทีผมรีบจะต้องไปแสดงธรรมที่เซกากลุ่มนั้น้ลยก้มกลับท่านอาจารย์ถ้าอย่างนั้นพวกวผมขอประวาณาจะขอสละสักล้านหนึ่งสร้างภูเขาสร้างที่ดิน ซ, ซื้อที่ดินมาสร้างภูเขาผมก็ได้ยินและผมก็ให้ผองเขาผมก็รีบไปแสดงธรรมกันใหม่ที่เอ็มเฟอร์เซกาห้านาทีในการเทไปล้านนะ แต่ผมไม่ได้เชื่อไงเพราะปุถุชนทำแต่พูดอย่างไี้เราก็เชื่อไม่ได้พระอาจารยาบอกไม่ให้วางแกคนโบราณว่าเลวะเห็นว่าในยินมาเสียงฟาห้องเดี๋ยวสูว่าฝนสิโต๊กฝนตกแล้วถือว่าโยกโยพัดเมผน่มนี้จ่อยขึ้นมาฟาห้องตึงเป็นสภวมันตกได้เหรอที่เริดว่าโลกพัดมาคิดวนีหายไปนี่คือตาาของปุถุชน ได้ยินได้ฟังแล้วก็เฉยคือเราเข้าใจนี่คือความเป็นพุทธชนแต่ถ้าเป็นอดียชนระดับโซตเป็นอย่างข้าศรัทธาเขาข้อคัดมาตรฐานจ้างโขาไม่หนี้เข า, าพูดอะไรเขาเป็นอย่างนั้นขนาไหนศรัทธาตัวนี้ที่มาได้มาตรฐานผมจะขอยกตัวอย่างให้เห็นในสมัยพุทธกาลบุคคลเหล่านี้เป็นมีชีวิตที่น่าศึกษามากพวกเขาถึงทำํำศีระกรัน สถาศินาการขปัญญาเนี่ยมีชีวิตที่มีความสุขมีความรัก อ, อ, อบอุ่นในครอบครัวชีวิตครอบครัวมี็นคนสุขความสุขมากชีวิตระดับหนึ่งไม่ใช่ทําเรานี้มันจะทําให้พวเมีแยกกันนะยิ่งรักกันก ล, กลมกลืนดู ด, ดึนมากชีวิตจะสมังเสมอการไม่ทําเหล่านี้แลเ้เดำเนินชีวิตในสังคมคารวะแต่มีความสุขยิ่งกว่าพระที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรม ในขนาดเดียวกันเขาจะไปผููเสียสละสร้างสรร์ประโยชน์แก่พศาสนาแก่สังคมที่เขาอยู่มีมีความคิดที่สร้างสรรค์อย่างาเดียวอนณาบาอาณาธาบิธทกาัตเศรษฐีเศรษฐีผู้มีเกียรติคุณสูงเด่นในในจฟุระวิวในแคว้นโกศลที่สร้างวัดพระเชตพันธี่เขาท่านเหล่านี้มีมีสถาบินศิลป์มีจาระบัญญาได้มาทหานหมดเข้าขั้นระดับโสดาบัน ไม่ได้มา น, นั่งสมาธินานๆอย่างเรานะประวัติของอนาถาบิดกี่เกษีไม่ได้นั่งสมาธิเลยเดินไปเวสมาธิข้าสถา